ขออนุธนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายประสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องสารันะสูตรคือประสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงแก่ภกษัตรฤทธิ์ชวีเมื่อเสด็จประทับอยู่ที่สารันะเจดีในแคว้นวัดชีหรือข้อที่น่าสังเกตว่า ในพระสูตรนี่ยองค์ธรรมต่อๆกันหลายข้อหลายสูตรเดองค์ธรรมะก็ใช้แนวเดียวกันก็คือเจดข้อแล้วปรากฏชื่อในที่ต่างๆอย่างในมหาเปนิพานในสูตรนี่ท่านเรียกว่าอภาอนิจธรรมแต่ในที่นี้เรียกว่าสารันทะแล้วพระสูตรหลังจากนั้นก็เรียกว่วัดชีสูตร แต่เ น, เนื้อหาธรรมะก็ข้อเดียวกันนะฮะในความเดียวกันแควนบัชชีที่มีเมืองหลวงชื่อว่าไพสาลีเป็นเมืองของาศาสดาในาศาสนาเชนคือท่านมหาวีระหรือท่านวัฒมานมีประวัติคล้ายๆกับพระพุทธเจ้า แล้วก็เป็นนักบวชหรือตั้งตัวเป็นศาสดาก่อนพระพุทธเจ้ามาหกปีแล้วก็มาเผยแพร่ตั้งการเผยแพร่ใหญ่อยู่ที่เมืองพาราณสีเหมือนกันพุทธเจ้าสัสรุก็มาตั้งตรงนี้แล้วก็ทามรดกที่นี่คนแตกกระจายไปโือคนที่เคยรับถือนับ นับถือละที่นิโครนก็หันมานับถือพระพุทธศาสนาทำให้พวกกลุ่มนี้ที่เราเรียกว่าอัญญาตดรชีโกรธพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมันจองล้างจองผานมาตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปียืเดเยื้อยาวนานมาจนถึงในตอนหลังแต่ว่าพระญาต ฝ่ายเมืองฝ่ายแคว้นวัชจีนนี่ปรากฏว่านับถือพระพุทธเจ้ามากแม้คราวเกิดทุพิกรภัยที่เคยพูดเรื่องรัตนสูตรที่พระเจ้าเสด็จไประ ง, งับทุพิกรภัยในเมืองไผ่สาลีไผ่สาลีและเวสาลีชื่อเดียวกันนะนะฮะไผ่สาลีเป็นภาษาสันสกฤตเวสาลีเป็นภาษาบาลีระดับนึ่นง คือภัยอันตรายเกิดขึ้นขนาดนั้นแทนที่จะนึกถึงาศาสดาที่เป็นญาติตัวเองพวกนี้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้ามาขอพระเจ้าไ้โปรดไปช่วยแล้วก็ให้ความสำคัญแก่พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษมาความท้าพรุทธเจ้าเสด็จเสด็จแฟนวัชีพวกกษัตริย์ลิชวีทุกรูปต้ตองเข้าเฝ้า แล้วก็ต้องรับภาระผิดชอบรับผิดชอบดูแลหมดใครขาดไม่ได้นะฮะเป็นกฎตั้งเป็นกฎเขควบคุมกันดีพวกพวกนี้เป็นเป็นเป็นวงเช่นเดียวกับวงของพระเจ้าคือว่าปกครองโดยสามัคคีธรรมเป็นพวกกษัตริย์ลิศวีเป็นราชวงศ์ลิศวีแล้วก็ปกครองลดตันกันขึ้นไปเพระาะปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเรื่องการปกครอง ธรรมะข้อนี้เป็นการแสดงหลักของการปกครองคือหลักการอยู่ร่วมกันที่ชิดบุรธศน์นามาเรียบเรียงในเรื่องสามกีเพศคำฉันนันนะครับระหนึ่งพระเจ้าเสด็จไปประทรับอยู่ที่สารันทะเจ ด, ดีเมือง น, นี้เป็นเมืองที่แปลกมีเจ ด, ดีเยอะสมัยพระเจ้ามีทั้งสิบหกแห่งเลยเจ ด, ดีสิบหกตำบล เป็นเทวลไลที่ปฏิสถานสิงเคาราาจจาพสกสารทั้งหลายบ้างเป็นที่บรรจุอัธิธาต์ของพระอรหันต์ทั้งหลายบ้างการสรุปว่ามีเจดีย์แยะสารันตจเจดีย์ก็เป็นจเจดีย์แห่งหนึ่งภูกระสันลิจฉวีก็มาเฝ้าพระเจาก็รับสัง่งให้ท่านเหล่านั้นตั้งใจฟังธรรมะให้ดีแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติ และรองรับประกันรับประกันผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทรงใช้คําเหมือนกันทั้งเจดข้อวุธิเยวะปิกเววุติเยวะวัชีวัชีนังปฏิกังคาโนุปริหานิความเจริญอย่างเดียวท่นั้นที่พวกวัชีจะหวังได้จะไม่มีความเสื่อมมาเกิดขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าต้องปฏิบัตินนฮะประกันแรกก็คือหนึ่ง หให้ประชุมกันสม่ำเสมอมีกิจกรรมต่างๆอะไรก็ตามขย่าไปตัดสินอะไรทําตามลําพังเพราะพวกเราเป็นหมู่นะฮะก็อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ไปทําอะไรตามลําพังก็มีปัญหาเพราะจะต้องประชุมกันเสมอๆอปรึกษาภารกิจต่างๆกันมีเรื่องราวข่าวคราวอะไรก็ได้นํามาบอกกล่าวจะได้รู้เรื่อง จึงเกิดขึ้นสม่ำเสมอกันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างพูดหลักเหล่านี้เป็นเป็นเป็นหลักที่ส่งสอนวิทยาสอนพระมันก็ย้ายมาข้อความเปลี่ยนนิดหน่อยตอนเด็กแต่ข้อความส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันคือเน้นที่การประชุมปรึกษากันแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันได้มีอะไรขัดข้องมองใจก็สามารถที่จะ ประสานน้ำใจประสานความรู้สึกกันได้ข้อที่สองหลักการในการประชุมเมื่อประชุมก็ต้องพร้อมเพียงการประชุมท่านอธิบายไว้ละเอียดท่านบอกว่าพวกลิศวิทั้งหลายเมื่อได้ยินกลองเรียกประชุมแต่ละคนก็อยู่ในยบบ ท, ที่แตกต่างกันอาจจะรับประทานอาหารอาจจะแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยอาจจะอะไรก็ตามต้องรีบหมด แล้วไปประชุมให้ทันแม้รับประทานอาหารไปทักครึ่งหนึ่งเยองไม่อิ่มก็ต้องยืดก่อนต้องเลิกก่อนต้องไปรีบประชุมให้ได้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องใหญ่และท่านวางเป็นกฎนะครับวาเป็นกฎในการประชุมนะถ้าใครขาดการประชุมนี่ปรับห้าสิบกหาพันะเก่งกว่าผู้แทนเราเยอะเลยใครขาดการประชุมก็ปรับห้าสิบกหาปันะ ถือเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในในยบทอะไรก็ตามทําอะไรอยู่ก็ตามตรงนั้นต้องเลิกไว้ก่อนทั้งหมดแล้วก็ไปสู่ที่ประชุมให้ได้ในกรณีที่มันมันเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่ออะไรไปไม่ได้ยต้องมอบหมายให้สันทะหมายความมามอบชันทาให้ที่ประชุมก็ทําไปแล้วก็ที่ประชุมลงมติยังไงตัวเองไม่โวยในตอนหลัง คือจะรับผิดชอบโดยร่วมรับผิดชอบในมติที่ที่ประชุมเขาลงมติไปแต่ว่างไว้สามจังหวะหนึ่งเมื่อประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ต้องพร้อมเพรียงกันเดิกไม่ใช่เลิกกับปิดกระปลอยข้าไปประชุมแล้วก็เลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้าวก็ก็ปิดกระปลอยออกก็ก็ปิดกระปลอยบางทีก็ข้าไปพอเต็มพอได้ครบองคประชุมเอาออกเสแล้ว กฎเกณฑ์ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะวางไววางไวสำคัญทีเดีกต้องพร้อมเพรียงกันประชุมแล้วต้องพร้อมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจกนันนอนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราประรบกกันอดยด้วยก็ยังพูดกันในในหมู่พวกพระเราเองเนะฮะบางทีว่าเราประชุมแล้วมันไปเป็นเศษกระดาษประชุมไปจบที่กระดาษรูเนีย รายงานการประชุมหรือบันทึกการประชุมแล้วก็ไม่ได้นําไปสู่ภาคปฏิบัติไปถึงปีก็ประชุมถึงปีก็ประชุมก็กลายเป็นกระดาษรูนียวเย็บเล่มอยู่ตลอดไม่ได้เกิดผลอะไรไม่ไปสู่ภาคปฏิบัติดังนั้นก็ส่งสอนว่าเมื่อประชุมเราต้องพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมเรพร้อมเพรียงกันเลิกคือเลิกพร้อมกันประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันและต้องพร้อมเพรียงกันทําปฏิบัติภารกิจ ที่เคยรับมอ บ, มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไงก็ต้องทําหน้าที่ของตัวให้เรียบร้อยในจุดตรงนั้นหม้ความเสริมสร้างความรับผิดชอบความรับผิดชอบต่อหมู่คณะรับผิดชอบต ต, ต, ตัวเองรับผิดชอบต่อการงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นปัญหามาตลอดเราจะเห็นว่าเรื่องบางเรื่องมาขาดคนรับผิดชอบ แล้วในที่สุดพอเกิดปัญหาขึ้นมาก็โยนกรองโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็กระทบกระทืนกันไปความเสียหายมันก็ตกไตส่วนรวปตัวนี้วางแห่งนั้นเรียกว่าอปิรหานิยธรรมความมรรคธรรมที่ปฏิบัติแล้วจะไม่เกิดความเสื่อมแต่จะเกิดแต่ความเจริญประการที่สามนั้น แบบนี้ค่อนข้างแปลกนะค่อนข้างแปลกก็อาจจะคนคนคนสมัยปัจจุบันอาจจะโต้แยง้งแต่เข้าใจว่าสมัยนั้นมันก็ลงตัวนะกฎเกณฑ์กติการะเบียบแบบแผนต่างๆมันลงตัวเพราะจากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ก่อนแต่จะไม่เพิกถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว แต่ทุกคนยึดถือประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นที่เราจะเห็นว่าเมืองไทยเรานั้นกฎหมายเยอะบัญญัติกฎหมายกันเยอะอย่างที่เคยพูดเรื่องเรื่องเรื่องการรักษาศีลอะไรเนี่ยบอกว่ารักษาศีลจนไม่ต้องรักษาหมายความว่าการเคลื่อนไหวเป็นศีลเป็นปโดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งใจสำรวมระวังอะไรแต่หมายความการเคลื่อนไหวทั้งหมดเราเป็นศีลไป แล้วพอแนวของการปฏิบัติพอถึงจุดหนึ่งมาเป็นธรรมะแล้วศีลก็ไม่ต้องนับอะไรมันอาจจะกี่ร้อยกี่พันข้อก็ช่างรักษาที่จิตอย่างเดียวจิตใจเรามีหลักมีเกณฑ์มีสติสัมปชัญญะควบคุมการทาการพูดการคิดเอาไว้ถ้าว่ากำหนด่าอาการอย่างนั้นเป็นศีลข้อไหนข้อไหนมันก็ได้ อ, อีกเยอะแยะนับเป็นข้อข้อออกไป เมื่อก่อนอ่านหลวงปู่ฝากไว้หลวงปู่ดูลีวัดบุรพารามหลวงปู่ดูลพูดแบบคล้ายๆหลวงปู่บุตรดาแล้วหลวงปู่แหวนพูดแนวเดียวกันพูดสั้นๆเป็นเรื่องสั้นๆแต่คมมากสั้นๆพูดง่ายๆแต่ว่ากินความลึกเจ้าก็มองสีดังนั้นนะะมองสีเนี่ยที่พระเจ้าสอน ตอนภิกษุที่เคยเล่าให้ฟังว่าแกกลัวจํานวนศีรษะบทพระเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็รักษาสักข้อเดียวอย่างอื่นไม่ต้องรักษาหรอกรักษาจิตอย่างเดียวอย่าคิดไปภายนอกนี่เป็นประโยชน์ที่หลวงปูด่ดูลย์ใช้บ่อยมาความถ้าเรารักษาจิตเราได้อย่างอื่นเท่าไหร่ก็ได้นะฮะมันก็ลงตัวพ้นแนวตรงนี้ก็แสดงว่าสมัยนั้นเขาก็คงบัญญัติไว้เรียบร้อยถูกต้องสมบูรณ์หมด มันแทนที่จะเป็นกฎมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมะแทนที่จะเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็กลายเป็นธรรมะเพราะนเมื่อเป็นธรรมะก็รับรู้กันทั่วไปท่านอธิบายเอาไว้ว่าถ้าบัญญัติขึ้นมาใหม่เนี่ยสังคมก็ไม่ยอมรับพอสังคมไม่ยอมรับเราทำตามบทบัญญัติใหม่เนี่ยสังคมจะต่อต้าน ช ต, ตานก็อาจจะแยกออกไปหนีออกจากบ้านเมืองไปไปอยู่ตำชายแดนไปเข้ากับพวกโจรเป็นผู้ก่อการร้ายออกก่อควานบ้านเมืองเกิดความวุ่นวายทีนี้พาไปเพิกถอนสังคมก็มองเห็นว่าพวกนี้ไม่ปฏิบัติธรรมเอาเลยกฎเกณฑ์กติกาต่างๆแต่โบราณแต่ยึดถือสร้างบ้านแปลงเมืองกันมาพวกนี้ละเมิด กฎเกณฑ์เหล่านั้นเขาก็ไม่ยอมรับอีกสังคมก็ต่อต้านอีกเพราะว่าจึงจึงมาแดดไว้ทั้งสองอย่างหมายความอะไรที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเพราะนี้คือความถูกต้องเวลาปฏิบัติไปตามนั้นสมมติว่าคนมีการสูญเสียสังคมก็เป็นพยานให้ ว่ารัฐไม่ผิดแต่พวกคุณผิดเองไอ้กฎเกณฑ์เหล่านี้มันมีอยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับก็แสดงว่าคุณก็ละเมิดกฎเกณฑ์ตรงนี้คนเหล่านั้นแทนที่จะได้พวกมันก็กลายเป็นคนที่สังคมเขาปฏิเสธแล้วก็สังคมเขาก็าปกป้องรัฐเองก็ทําทให้รัฐสามารถบริหารบ้านเมืองไปได้โดยปกติสุข ตรงนี้วางไว้แนวเดียวกันวิเวละวางกับพระ น, น, น, น, นั่งเวงกันอภิหารนิ้จะทำสมบัตพระก็เหมือนกันนะฮะจากไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นไม่เพิกถอนสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานศึกษาเฉพาะสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้นี่เป็นเป็นหลักคือแสดงถึงการพัฒนาการที่มันลงตัวลงตัวอย่างที่เคยบอกว่า คนสมัยนั้นมั น, ม, นมันเป็นยุคธรรมะเป็นยุคที่คนสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมะกันมากธรรมะมันขึ้นสูงทุกกระแสมันไม่ใช่เพราะไม่ใช่ไม่ใช่เฉ พ, า ะ, เพาะสายศาสนาแต่ที่ยิงสายครอบครัวสายสังคมธรรมะมันขึ้นสูงหมดมันเป็นวิถีชีวิตที่ผสมกลุมเกินกับธรรมะเรอถือว่าเป็นยุคเดียวนะเป็นยุคเดียวที่โลกเคยสัมผัสมาเฉพาะที่สืบคนไปได้นะ อดีตตการนานไกลเราก็ไม่รู้แต่สรุปว่าที่มีร่องรอยหลกักหลักฐานสืบต่อกันมาในปัจจุบันก็เป็นยุคเดียวนยุคเรียกว่าเอาก่อนพุทธกาลหนึ่งรอสมัยพุทธกาลหนึ่งร้อยแล้วก็หลังนั้นหนึ่งเราก็เรียกว่าสา0ร้อยปีเนี่ยตรงนี้มันจะครุ่มพื้นที่ไปทั้งหมดทั่วโลกว่านักปราชญ์ศสาสดาทั้งหลายที่บุกเบิกสิ่งดีงามขึ้นมามันก็มาจากยุคนี้ แลวก็ถ่ายทอดกันมาจนถึงยุคต่อมาแล้วก็สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเพราะหลักการประพฤติปฏิบัติตรงนี้เป็นที่ยอมรับกันเป็นการสากลและทุกคนจะเทดทุนทำเรือให้ความสำคัญแก่ธรรมใครละเมิดธรรมะไม่ได้จะมีคนปกป้องรักษาธรรมะจะเมื่อคืนดูข่าวอะไรอะ คนไปตัดไม้เตะตัดตัดไม้สักอายุสามสิปีทั้งร้อยไร่อเมร์น่าเสียดายจริงไม้ปลูกนะฮะไม้ปลูกไม้ของรัฐปลูกไว้ใไม่ตัดแถวแถวสระบุรีแถวโก ร, ร, ราชรใกล้ใกล้ๆๆปากช่องอัานน่าอโหอัดเหลือเกินนะคนทุกวันเนี่ยนี่คือคือมันทำทุกอย่างนะผิดทั้งกฎห ม, มายผิดทั้งธรรมะผิดทั้งอะไรแต่ไรยู่ยย่าทั้งหมดเต็ม เป็นการขาดความเคารพในธรรมของสังคมการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขของบุคคลภายในสังคมประการที่สี่พนผู้ใดที่เป็นหลักเป็นประธานในหมู่ในคณะเหล่านั้นก็ให้ความสำคัญให้การยอมรับนับถือ เพื่อฟังแล้วปฏิบัติตน ต, ตามคําสั่งของท่านตามคําสอนของท่านในตรงตรงนี้เราจะเห็นว่าพุทธานาจะเน้นมากเรือท่านที่เป็นหลักแต่หมายความว่าต้องเป็นหลักคนที่เป็นหลักจริงๆไม่ได้เอาเฉพาะเฉพาะนั้นนะฮะแต่ว่าจะวางไว้ทั้งตูกความรู้ทางความประพฤติ ทางความสามารถและตัวคุณธรรมคุณธรรมที่เป็นฐานเป็นฐานในการดารงชีวิตของท่านจะวางไว้จะวางไว้แนวนี้ตลอดไม่ได้เอาอย่างเดียวแต่ถ้าความเคารพธรรมดาธรรมดา ก, ก, ก็ก็แยกเป็นสาวอย่างที่ว่า น, นี่วัยวุฒิอายุมากก็ให้ความเคารพในฐานะอายุมากคุณวุฒิ อายุอาจจะน้อยนะฮะอายุอยาจจะน้อยแต่ว่ามีคุณธรรมมีคุณธรรมมีความรอบรู้มีคุณธรรมก็ให้ความครบหรือว่าชาติวุฒิอายุอยาจจะน้อยความรู้อาจจะน้อยแต่ว่าชาติสูงนะก็ยกให้แต่ว่าการออกเป็นหลักมันจะต้องมีต้องมีครบต้องมีครบอายุไม่เน้นเท่าไหร่นะฮะอายุไม่เน้นเท่าไหร่แต่ว่าเน้นที่ตัวความรู้ ทรงตรงใช่ก็ว่าฉลาดสามารถเป็นผู้ฉลาดสามารถทรงรรทำ ท, ท, ท, ท, ทรงวินัยรอบรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมคือไม่ไม่อคติอคติเป็นเรื่องใหญ่เป็นหลักคือคนที่เป็นหลักของของอะไรก็ตามของครอบครัวก็ตามนะฮะโดยเิ่งว่าถ้าครอบครัวมีอคติพ่อแม่มีอคติอะไรก็ตามมีอคติลูกจะรู้สึกแบ่งแยกคนภายในครอบครัวจะรู้สึกแบ่งแยก ความเคารพนับถือก็จะจางไปเรือรถลงไปถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้วความเป็นธรรมจุดเด่นสำคัญเนี่ยว่าคนเราจะเรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมแล้วตัวเองอาจจะไม่ค่อยให้คนอื่นเท่าไรหรอกแต่ว่าสมาครตัวเราก็อยากได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าจะท่องวางไว้ทุกจุดว่าต้องไม่อคติ ทนี้ความรอบรู้ก็อีกแหละว่าบางอย่างเราก็รอบรู้ไม่หมดเพราะนต้องอาศัยการประชุมที่กล่าวไว้ในะตอนตอนก็ปรึกษากันสอบถามกันให้ไปสืบสวนให้ไปค้นคว้าสิ่งต่างๆมาเพราะว่า อย่างในปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าแม้เราเปิดหนังสืออ่านเนะี่ยหนังสือที่ที่ที่เขาพิมพ์มาสมัยใหม่ถ้าเราอ่านในะที่เนี่ยมันมีเยอะที่มีปัญหาอัตอมาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคนที่อ่อนไหวมากกับหนังสือไปเห็นหนังสือน้าอ่านนะเด็กไปหามาเลยแต่เนี่มันมันมั น, ม, นมันรู้สึกมันลวกลวกนะฮะบางทีมันลวกลวกเป็นการมองมุมมุมใดมุมหนึ่ง คือไม่ได้มองรอบด้านแม้หนังสือทั้งหาที่ที่เขาถือว่ากลั่นกรองเป็นเอกสารมาอย่างดีนะฮะเราทึกเรา ก, ก็มีความรู้สึกมองได้เฉพาะมุมนั้นแต่จริงๆโลกมันไม่ไอยู่เฉพาะมุมนั้นเนะี่ยทายัางไงว่ามุมอื่นนี่จะทํำยังไงแม้แต่เอกสารเนี่ยก็กำลงหวือหวายคอปอปอ์เนี่ยมาอ่านสองเที่ยวแล้วมายังมองว่ามันมั น, ม, นมันก็ลอยอยู่ข้างบนนี่ะ น, นะ มันมีกลุ่มคนที่ทําอย่างนี้ได้ยังไม่กี่คนอ่ะคนที่ได้ผลประโยชน์จากจรงนี้ไม่กี่คนแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถสัมผัสได้เราจะต้องเสริมสร้างอะไรก็ตั้งอีกมากมายแกลกองเมื่อาวานในวิทยุรัฐสภาก็โทรมาที่กุติขอสัมภาษณ์ออกอากาศเขาเรียกอะไรออนไลน์ทมืวันกนะ้าวหน้าเยอะเขาก็ถามประเด็นตอนนี้มาบอกว่ามัน มันอีกเรื่องเรื่องเยอะอนะฮะแต่สรุปว่าทํำยังไงอะทํำยังไงเราเสริมสร้างภูมิต้านฐานให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนภายในชาติเราเร า, เราต่อต้านข้างนอกไม่ได้หรอกพราะสื่อเนี่ยสื่อสื่อของโรกร้ายพรมแดนเราต่อต้านไม่ได้เพราะมันมาเต็มเต็มพื้นที่หมดทุกอณูเนี่ยมันมีหมดเลยอ่าเปิดวิทยุเมือ่อไหรเปิดโทรทัทศน์เมือ่อไหรก็เจอมืน่นั้นทันทีเลยเพราะาเราเราไปต่อต้านตรงนั้นไม่ได้เราแก้ไม่ได้ แต่ว่าเราต้องสอนคนเราให้รู้จักเลือกได้รู้จักตัดสินใจรู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์สิ่งต่างๆควรดูไม่ควรดูควรฟังไม่ควรฟังควรกินไม่ควรกินควรทําไม่ควรทํามันต้องแยกได้สิ่งเหล่านั้นมันก็ธรรมดามันมันมันเป็นมาคล้ายๆกับอากาศคล้ายๆกับอะไรเนี่ยฝ่ายุใต้ฝุ่นอะไรมันมันเราไปประทัข้างนอกไม่ได้แก้ข้างนอกไม่ได้เราต้องแก้เราต้องปราบพิฆข้างในเราให้ได้ว่า มันจะมายัางไงก็ตามเราทรงตัวอยู่ได้แต่ก็หมายความเราก็ต้องมีหลักต้องมีหลักที่เรียกว่ายืนหยัดด้วยตัวเองได้อย่างน้อยระดับหนึ่งไม่ตกเป็นทาสของสื่อทางหลายง่ายเกินไปหรือเชื่ออะไรง่ายเกินไปมีอะไรก็ฟังไว้ในข่าวภาวนาพุโทโธสงบไปเมื่อคืนเนี่ยก็มีคนโทรมาว่า รายต่อไปนี่จะติดอตาตมาด้วยมีนับถึงตาห้าองค์เลยนะฮะบอกว่าทีนี้ก็เอาห้าองค์เลยนะฮะแล้วเมื่อเช้าก็โทรมาอีกนะฮะโทรอีกเราก็ฟังว่าอย่างนั้นนะฮะโทรมาเราก็เราก็ฟังว่าอย่า ง, งนั้นเองแต่ว่าเราป้องกันไม่เขาด่าเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเองยังมีปัญหากันแล้วกัน อยูคนก็จะกล่าวหาก็จะด่าก็จะนินทาก็จะว่าสนเทศเราห้ามก็ไม่ได้ไมปนเรื่องของเขาเราห้ามปากเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้นะเราห้ามใจเราได้เราแก้ตัวเราอย่าไปคิดแก้ข้างนอกแก่ข้างนอกก็ตายเลยแก้เฉพาะข้างในเห็นไหมพระพุทธเจ้าเองท่านก็ห้ามคนไม่ด่าท่านไม่ได้เขาด่าไปเมืองโกสัมพีพวกก็ด่าทั้งเจ็วันก็ด่าก็ด่าไปเลยนี่ทำยังไง เราห้ามใจเขาไม่ได้ห้ามปากเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามปากเราได้ก็จบเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่ตัวเราพระเจ้าจึงวางตัวผู้ใหญ่เนี่ยให้ลักษณะมีภูมิมีภูมิด้านฐานมีภูมิด้านฐานที่จะมาอะไรจากข้างนอกเราก็สามารถที่จะเป็นหลักได้ ปัญหาสำคัญอย่าเสียศูนย์เสียเองอะไรกันเนี่ยนะเสียศูนย์เองมันก็ช่วยไม่ได้เสียศูนย์เองก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นหลักเอาไว้เนี่ยผลสุดท้ายทีมาอมันอาจจะจะอะไรอย่างครูบาสีวิชัยเห็นไหมฮะครูบาสีวิชัยตั้งทางก่อสุดเซลงไปแล้วก็พนทธรรมก็ทําอะไรทําไม่ได้มันมันมันโลกมันก็เป็นอย่างนั้นเองอย่าไปติดใจหวั่นไหวกอน การอะไรละการพูดการวิาพากษ์วิจารของคนอื่นที่พระเจ้าทรงสั่งสอนว่าจะสนใจการทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่นแต่สนใจเฉพาะเราสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของเราเพราะาคนที่เป็นหลักเนี่ยจะต้องมีความรู้จะต้องมีความสามารถจะต้องมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะนั้นๆเป็นหลักและจะให้การยอมรับรับถือยกย่องแก่ท่านเหล่านั้น แต่ว่าความท่านเหล่านั้นเป็นหลักนะฮะท่านท่านเหล่านั้นต้องต้องเป็นหลักได้ประการต่อไปนั้นไม่ประการที่ห้านะครับประการที่ห้าคือไม่ไปฉุดคร่าอนาจารข่มเหงคุณสตรีทั้งหลายนะปัญหาเราปรสบปัญหาที่เนี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหาทาวรลูกปัาทาวร น, นะครับ คือถ้าหากว่าฝ่ายแต่ว่าสอนพวกพวกพวกมีอำนาจนะฮะสอนพวกมีอำนาจจะไปฉุดฆาตนาจารย์ทำทารุณกรรมต่อขุสตรีทั้งหลายเพราะว่าแต่การก็คือแยกแยกตัวเองออกจากราษฎรแทนที่จะเป็นที่พึ่งพานักของราษฎรมันก็กลายเป็นผู้ทํำลายทําลายความรู้สึกทำลายศรัทธาทราษฎรมีมันก็ ส, สร้างศัตรูขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะมากม า, กกายกลกอง เป็นหลักในการคุ้มครองเราจะเห็นว่าชาวโลกมันก็เป็นเข้ามันอย่างนั้นจะทำยังไงเราจะแก้ที่จิตใจคนได้ให้พฤติกรรมเราเนี้ยโหดร้ายรุนแรงเลวร้ายต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปก็ท่านสอนท่านอธิบายให้คิดให้คิดคิดถึงว่าเนี่ยพ่อแม่ก็เลี้ยงลูกเข้ามาอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่เล็กแต่น้อยนิ่งๆแล้วว่าโคนมาจุดคราบไป มาปทุสรายเนี่ยพ่อแม่เขจะรู้สึกยังไงก็จะคิดยังไงก็มีญาติพี่น้องอะไรก็อธิบายอธิบายละเอียดเนี่ยนะฮะหมายความมาสร้างเสริมสํานึกเป็นแนวที่เรียกว่าเอาใจเขาใส่ใจเราแนวอัตตานังอุปบังกัตวาแต่นั้นเห็นไหมฮะศีลธรรมจัญญาเป็นแนวอัตตานังอุปมังกัตวาคือทำต้นเป็นอุปมาแท่นั้นแล้วก็ ขนรรมเนียมประเพณีสิ่งที่เคารพสกอาลทั้งหลายเป็นจารีตของสังคมนะครับเราเห็นว่าพวกนี้เป็นจุดยึดเหนี่ยวทางสังคมบางทีมันอะไรล่ะก็ เ, เรียกว่ามันแฝงอะไรไวแฝงอะไรไว้ไไวในสิ่งเดล่านั้นเป็นจำนวนมากาตั้งแต่ไหลองลองสังเกตว่าจารีตบางอย่างเช่นวันศาสตร์วันตุวันสงกราน วันไรต์ อ, อะไรต่างๆที่ที่โบราณท่านมีไว้เนี่ยมันแฝงคติธรรําแฝงจิตสํานึกแฝงอะไรต่ออะไรไว้มากมายก่กองในตรงนั้นเนี่ย不论อะไรก็ตามที่เป็นที่เคารพสักการะเป็นจารีตแบบแผนขนธรรมเนียบประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสารกันมานั้นเป็นที่หล่อหลอมคนก็เป็นพวกเดียวกันคนจะมาจากอะไรก็ตามนะฮะมันก็กลายเป็นพวกเดียวกัน เฉยนสมมติว่าเจดีพระประถมเจดีอย่างเงี้ยคนจะมาจะทิศใดก็ตามพอไปถึงที่นั้นก็คือเป็นที่ขอรบสักการะกันเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคคลทั้งหลายแล้วคนก็มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าจะเป็นใหญ่เป็นโต ย, ยังไงใหญ่ก็ไม่รู้ก็มาไหวามากราบมาไหวพระศุภนลก็อยู่ในสถานที่นั้นเพราะงั้น จะต้องส่งเสริมสนับสนุนในส่วนที่เป็นขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเจตีสถานปูชนิยสถานต่างๆอันเป็นที่เคารพสักการะทั้งหลายนีครัรักษาเอาไว้และตัวเองเป็นหลักให้เป็นหลักเป็นผู้นำราษฎรในเรื่อ ง, งนี้เพื่อที่จริงก็เชื่อมนะฮะเชื่อมเชื่อมคน ใ, นในใกล้ชิดกันแล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเช่น ประเพณีวันศาสตร์วันสุดวันสงกรานต์เราจะพบว่าในเครือวงศาขนาดญาติอย่างน้อยในเครือวงศาขนาดญาติได้พบปะกันเวลานี้เราเราก็หาว่าอะไรละ่ะลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องเนี่ยลูกพี่ลูกน้องบางทียังไม่รู้จักกันเลเพราะมันไม่มีจุดไม่มีจุดรวมปีหนึ่งเราก็บางบางทีก็หาเจอกันไม่ไดม้มีที่รวมญาติ ม, มีที่ รวมญาติกันตั้งหลายครั้งนะฮะประเพณีไทยลองสังเกต ร, รวมญาติกันตั้งหลายครั้งพราะญาติพวกนี้ก็คือพี่คือน้องจ้าน้องดูแลกันมาตึ้งหลานพี่หลานน้องเหลนพี่เหลี น, น้องก็ยังยังรู้จักอย่างสนิทสนมคุ้นเคย ก, กันเป็นประเพณีที่โบราณท่านสร้างแต่จะต้องมีการสืบสานมีการรักษาประพฤติปฏิบัติต่อกันสิ่งเหล่านี้จึงจะดํารงคงอยู่ได้ อย่างประเทศไทยเราเวลานี้เราปีนี้เราถือปีสืบสานวัฒนธรรมนะฮต่อจากปีที่แล้วมันก็ปะทะกับกระแสการเลื่อนไหลวัฒนธรรมต่างแดนแต่ถ้าเราดูแล้วนะฮะเราดูแล้วว่าทุกจุดเนวัฒนธรรมต่างแดนมีอิทธิพลมากกว่าไม่ว่าเป็นเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพล ง, โ บ, งโบราณคนก็ดูกันไม่กี่คนกรมศิลปากรไปฝึกมาก็เต้นเต้นดำดำเราดูกันไม่ ไม่กี่คนแต่พอต่างพอพรัง่งต่างชาติอะไรๆเรพลงขนงพรังเนี่ยจะมาแรงเป็นลักษณะความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมแล้วก็เอกภาพทางความคิดกิจกรรมเนี่ยมันมันมันจะจางกันไปคือแยกคนเป็นเป็นฝักเป็นฝ่ายแยกคนเป็นฝา่ายเป็นรสสิญญมเป็นรสสิญญมสูงรสนัญมต่ำก็แยกเป็นฝักเป็นฝา่ายไป ซึ่งซึ่งซึ่งเมื่อวานเนี่ยเขาก็สัมภาษณ์ประเด็นนี้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ไม่อย่าพูดอามามองมานานนี่ยนะมองมานาเรารอบบ้านเราเนี่ยเราหาว่าเขาไม่เจริญแต่ว่าธรรมก็แข็งนะฮะลาวเนี่ยก็แข็งเขมรก็แข็งเวียดนามก็แข็งพม่าก็แข็งมาลายูก็แข็งมาเลเซียนี่ก็แข็งรอบบ้านเราเนี่ยแ้ธรรมแข็งมากเอาเขาไม่ได้เลยพม่านุ่งสโรงมาตั้งแต่นโยนโบราณตัวหนึ่งนุ่งสโรงอยู่เลยแตเห็นนะฮะ เ ข, เขาแข็งมากมากวัฒนธรรมเขาแต่เราที่จริงเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเรามีภาษาเองมีอักษรเองมีภาษาเองมีตัวเลขเองมีอาหารเป็นสายของเราเองอรวัดประชนนี่ท่านท่านสร้างอะไรแล้วท่านปฏิรูปอะไรไว้ด้วยท่านปรับปรุงอะไรเราสร้างไว้แต่มาทีหลังนั้นเราเรารักษาไม่ค่อยได้เรามักจะไหลไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างแดน ประเด็นประเด็นที่น่ามองก็คือการขาดความภาคภูมิในความเป็นชาติขาดความภาคภูมิในความเป็นชาติตัวเองแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกไม่ไม่เท่าไหร่ก็มีความรู้สึกดูหมินชาติตัวเองนะดูหมินชนชาติตัวเองนี่นีนน่ีคือจุดอ่อนเพราะฉะนั้นแนวตรงนี้ที่จริงคือแนวปลุกปลุ ก, กจิตสำนึกให้รักภาคภูมิในทุกอย่างที่ ที่เป็นของของตัวเองนะฮะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจและประการสุดท้ายก็คือให้การรักษาคุ้มครองต่อสมณะพราหมณ์ท่นานใช้คำว่าพระอราหันต์ทั้งหลายในความพูดง่ายว่าพวกนักบวชทั้งหลายพวกศาสนาทั้งหลายเนี่ยไอ้ น, นี่คือคือกระแสโลกมันเป็นอย่างนี้นะฮะพวกอยู่ในวงการพระที่จริงต้อ ง, ต, องต้องรู้ว่าอย่างว่า สัตว์โลกนั้นชอบเบียดเบียนสัมภ на ผาลตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วดูประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยฮะชอบเบียดเบียนสัมภณผาม์เพราะว่ามั่นใจว่าสมาาัมภาผาไม่โตต่อ <c oughs> นะพวกนี้ชกเป้านิ่งนะฮะชอบชอกเป้านิ่งเหมือนก็มวยนะฮะคือเป็นชกกับชาวบ้านไม่ได้ชกกับชาวบ้านไม่ได้ชาวบ้านก็สู้ดันั้นการด่าว่าพระนี่มันจะมันมากนะด่าว่าพระนี่มัน <c oughs> ไม่มีใครว่าอะไรฮะด่าวา่า ก็อย่างที่ในชาดกท่านเล่าถึงบุรุษคนหนึ่งเขาเรียนวิธีดีดกลวดฝึกดีดกรวดของนิ่งๆของธรรมดาดีดๆมันเรื่อยนะฮะจนสามารถดีดสัตว์ที่บินได้วิ่งได้สัตว์วิ่งสัตว์สัตบินอะไรนี่ก็ดีดได้หมดเลยทั้งหมดเนี่ยนอกจากคนอยังไม่กล้าดีดคนนี้ไปจะดีดขนนี้คนนี้ก็มีพ่อมีแม่ไอ้คนนั่นก็ลูกของคนนั้นไปเดี๋ยวก็ตีหัวเอาไม่กล้าดีด จเจอพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งนั่งสมาธิโอ้เนี่ยพระเนี่ยไม่มีเจ้าของพระไม่มีเจ้าของเลยดีพระเลยดีตานะฮะดีตาจุดเล็กที่สุดดีตาตาบอดดีเราพระตาบอดนี่คือคือชอบเบียดเบียนสมณพระแล้วก็ไปรสร้างสิ่งอัปมงคลขึ้นนะฮะเพราะว่าไปประทุษร้ายผู้ที่ไม่ประทุษร้าย ยิวิจารทรงทรงแสดงว่าจะประสบโทษสิบประกาศเห็นเวทนาเดือดร้อนปยการแตกญาติมีโรคภัยไข้เจ็บจนถึงก็ตายไปตกนรกค่ะคือคืเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นหลักการดังกันก็คือว่าสําหรับพราหมณ์ที่จริงก็มีก็มีเจ้าขอ ง, งนะฮะมีลูกศิษย์ลูกหามีคนกระรลกถกถือถ้าไปวัตถุสลายคนหนึ่งสร้างคนแตกแยกคนออกไปเท่าไหร่ เราไม่รู้อฮะแต่วันนั้นก็คือสร้างความไม่สงบขึ้นในชาติบ้านเมืองตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมันมีเจ้าของดังนั้นเนี่ยคนมีเจ้าของตังนั้นเพียงแต่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยทังนั้นเนี่ยหลักการที่ทรงสอนในที่นี้ก็คือให้ให้การรักษาคุ้มครองที่เป็นธรรมแก่สา ม, มนาพระามทั้งหลาย ให้เราลองสังเกตว่าปัญห า, าศาสนาเช่นเช่นที่เกิดขึ้นในในพระพุทธศาสาศนาเราเองมันมีปัญหาบางอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็แก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเช่นเช่นเช่นมีคนมาฆ่านางสุนีปริพาจิกาหมกไว้หลังคันนากดีของพุทธเจ้าพระเจ้าทำยังไงจะไปจะไปทำยังไงมันเป็นเรื่องอาญาของแผ่นดินเป็นเรื่องของบ้านเมืองบ้านเมืองก็ไมสืบเอ า, า, า, า, า, าะจะไปพูดไปแสดงความเห็นอะไรไม่ได้ เพราะฉะนบ้านเมืองต้องให้การราาักษาหรือว่าโจรมาฆ่าพระองค์ุลิมาติการรสศิลาข้างบรวิสิจิลิแล้วพระจะทํำยังไงพระจะทําไงพระไปสืบเองแล้วทำยังไงก็ทําไม่ได้บ้านเมืองก็ต้องมาสืบบ้านเมืองต้องเข้ามาดูแลตรงนี้ว่าคือเราต้องแยกใครออกนะฮะเมื่อวานได้ยินขา่าว พอมาบอกว่าตํารวจก็บอกว่าต่อไปพระมาแจ้งความจะไม่รับแจ้งความแล้วมาเอาสิพระนั่นคือคนไทยนะฮะเขาแจ้งความแจ้งในฐานะเป็นคนไทยนะฮะเป็นราษฎรนะฮะไม่จะแจ้งในฐานะเป็นพระเขาแจ้งในฐานะเป็นราษฎรพระก็คือราษฎรเห็นไหมว่าในพระในสมัยพุทธกาลเองพระก็คือราษฎร เมื่อเป็นราษฎรก็ต้องรับสิทธิทำหน้าที่ของราษฎรแล้วที่จริงในในฐานะเป็นราษฎรในถูกกีดกันเยอะนะฮะกฎหมายนี่กีดกันไว้เยอะเลยครับไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรแต่ใดเยอะแยะเพราะฉะั้นตรงนี้จึงส่งสอนให้การดูแลอรารักขาคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนพระราณนทั้งหลาย ที่จริงเป็นเป็นมวลชนที่ทารัดใช้เกิดประโยชน์ผมก็เกิดประโยชน์เยอะนะฮะทารัดเข้าส่งเสริมสนับสนุนไม่ไม่ว่าศาสนาไหนนะฮะอจริงแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่วันก่อนในเจ้าคณะจังหวัดทางภาคอีสานให้ภาคภาคเหนือท่านพูดท่านพูดประโยชน์สั้นๆเ น, น, นีมันก็กมดีท่านบอกอะไรงานราคาถูกหมายความว่างานอะไรที่ให้ภาคไปทำเนี่ยทุนไม่มาก ทุนไม่มากถ้ารับไปทำเราเยอะแยะไปหมดเลยแต่ภาไปทำไม่ไท้อะไรเพียงแต่ว่าจะต้องให้การสนับสนุน ส, งส่งเสริมแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระอะไรต่รางๆของสังคมได้เยอะแยะนะฮะถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเยอะด้วยนะค่าใช้จ่ายก็น้อยกว่าลายใช้คนก็น้อยกว่านี้ก็เรียกว่าเป็นที่ชื่อ่าสารักท่าจะดีที่จริงที่จริงนั่นนะฮะ สารันทาใจดีเป็นเป็นชื่อของขอ ง, ของสถานที่แต่ น, นั้นเองเป็นหลักที่ส่งรับรองไว้ทุกข้อเมื่อแต่ละข้อนั้นถ้าหากว่าพวกวัชีประพฤติปฏิบัติอย่างตอนเนื่องแล้วจะมีได้ความเจริญจะไม่มีความเสื่อมเพราะนันจากจากจุดนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีทั้งสองอย่างวัชีเจริญขึ้นมาโดยดําดับจนปลายพุทธสมัยปลายพุทธสมัยประมาณสัก สามปีนะแต่ว่าวัตถีแตกหลังพระเจ้านิพพานนะพระพุทธเตอร์ใหม่ประมาณสักสามปีพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ภูเขาขิจกูลพระเจ้าช า, ชาติศัตรูอันนี้อีกสูตรนะฮะ ส, สูตรหลังจากนั้นเรียกว่าวัชถีสูตรพระเจ้าชาติทรงวัศการาพามไปคือพระเจ้าชาติรูหลังจากกรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ตอนน้าก็ปลายมาเยอะแล้วปลายพุชเตไฟมาเยอะก็คิดว่าตัวเองมาร่ํารวยยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อําม่าข้าราชการทั้งหลายก็บอกว่ากรุงราชครืดไม่ไม่จเจริญนุ่งเรืองหรอกที่ร่ํารวยจริงๆในวัชชีก็ร่ํารวยกว่าประเทศเขาไม่ใหญ่นะฮะหม้ความมันคล้ายๆ ก, กับรนะบรูไนอะบูไนประชากรในสองสามแสนเน่ยแม่รายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีมหาศาลเลย ดีกว่าสาหรัฐอเมริกาี่ก็ทำให้พระเจ้าชาติูริสยาต้องการที่จะเป็นใหญ่เหนือตรงนี้นะฮะท่านท่านทันท้งหลายจะจ ะ, จะพะบว่าเรามองประวัติศาสตร์ตรงนี้หลังพระเจ้านิพานประมาณสักสามสีป่ปีวัชีก็แตกวัชีก็แตกแล้วก็อยู่ในอาณาจักรมรคตมาจนถึงสังขายนาครั้งที่สอง สังขยาครั้งที่สองและทำที่วาลุการามไงฮะวาลุการามก็อยู่ที่เมืองไฝ่สลีก็หมายความว่าย้ายเมืองหลวงมาจากราชสักขึมาอยู่ที่วาลุการามพระสการาพรามณ์ก็เข้าไปกราบทูลถามพระเจ้าชาติตัววางแผนเดียข้าไปกราบทูลถามก็เล่าคําประรบว่าจะไปตีแคว้นวชีนี่จะตีได้หรือไม่ แต่ก็ทำทีเข้าไปสอบถามปุจจ ա วก็ทรงแสดงแสดงธรรมะแต่ว่ามันก็ทําให้อะไรละ่ะวาสกาดาพราหมงมองเห็นมุมเหมือนกันกปุเจ้าทรงส่งประกันให้ย่างประศุตนี้นะฮะมองเห็นมุมว่าวัดชีเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมะอย่างเงี้ยไม่มีใครธรรมะทำอันตรายเขาได้ตราบเท่าที่เขาปฏิบัติธรรมะดังนี้อยู่ ราชการอภารมก็มองในมุมหนึ่งว่าถ้าทําลายธรรมะเหล่านี้ได้ถ้าทําลายธรรมะเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าทำได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะตอนตอนพระเจ้ายัางมุ่งไปชนอยู่ก็ไปสร้างเมืองที่ปาตลีบุตรนะฮะที่ที่ถ้าท่านไปอินเดียท่านได้บ อ, อกปัตตนาที่เมืองปัตตานะนะฮะเอาปาตลีคามเป็นที่เมืองที่ใกล้ชิดกับวัดชีก็คลย้คลยๆจะเตรียมตีวัดชี อยู่ตรงนั้นประมาณสามปีหลังจากนั้นพระเจ้านิพานก็เหตุการณ์ตอนนี้มันก็เกิดเมื่อพระพระพุทธเจ้าประชวมายุ 77, 77, สเจ็ดิบเจ็ดเจ็ดพรรษาแล้วก็หลังจากพระพุทธเจ้านิพานแล้วก็ก็ไม่ได้ตีตรงไงครับว่าจริงคือไปไปยุ่เข้าทะเลาะ ก, กันในเรื่องสามกีเพลย์คำฉันท่านจะว่าคุณธรรมเหล่านี้ถ้าขาดสักข้อ แต่นี่จแต่ละข้อมันมันมันจะบั่นทอนกาลังทั้งหมดเช่นสมมติว่าเอาไปจากข้างหลังนี่นะเช่นว่าไปเบียดเบียนทําลายพระอาหารหันต์ทั้งหลายคนเหล่านั้นก็มีโยมปะทะกษัตริย์วชิรเหล่านั้นเองมันก็เคารพนับถือท่านเหล่านั้นอยู่มากบ้างน้อยบ้างพอใครไปเบียดเบียนมันก็แยกกลุ่มแยกกลุ่มขึ้นมาไอ้นี่ก็ลูกศิษย์คนนั้นคนนี้อันนั้นก็อาจารย์เราถูกเบียดเบียนถูกประทุษร้ายไม่ต้องคบกัน ตลงว่ากําลังมากกลายเป็นกําลังน้อยคือแยกหมู่ไปเพราะว่าไปทําลายครูบาอาจารย์ครับหรือว่าไม่สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือไปทําลายเจดีย์หรือไปดูหมินเจดี์ทึ่ึงทึงแต่ละเจดียนะ์เนี่ยมีคนนับถือมีคนนับถือถ้าลองสังเกตว่าศาสนาวางศาสนาที่ที่เล่นถึงไปที่บุกทําลายเทวรูปเขานะ ทำลายแต่รูปเขไอ้เทวรูปคนาัมันมีคนนับถือพอไปทําลายเข้าวคนก็รู้สึกเป็นศตัตรูศัตรูแทนที่จะเผยแผ่ศาสนานด้วยสอนไม่ได้สอนแล้รบกันละทีรบกันอุตลุดเลยเผยแผ่ศาสนานด้วยการรบราคฆันเพราะอะไรเพราะว่าไปแตะต้องสิ่งที่เคารพนับถือขเขาไปทําลายก็าทำมันทำให้เขาเสียความรู้สึกเราสร้างความแตกแยกอันนี้ก็แตกสามกีกัน แสามขีแล้วก็แบ่งคนตามความเชื่อมขอ้ขอที่เจ็ดแบ่งคนตามความศรัทธาข้อที่แปดและขอ้ขอข้อที่กแบ่งคนตามความเชื่อข้อที่ที่ไหนที่ห้านะฮะที่ห้าจะแบ่งคนไปตามความผูกพันลูกหลานเขาถูกกระทำย่ำหยีถูกเปียดเบียนถูกประทุษร้ายเไม่ชอบแล้วพวกนี้ก็มีวงศาคณะญาติไปอีกเยอะ สร้างแต่ซูขึ้นอีกเยอะเลยแต่ละจุดเป็นจุดเปราะบางหมดเป็นจุดเปราะบางที่ถ้าหากว่าเกิดรอยปริขึ้นมาทักรอยแล้วมันก็เหมือนกระเรือนะฮะน้ําก็รั่วเข้ามาได้พอมาถึงข้อที่คนซึ่งควรเคารพนับถืออคนหนึ่งคัรับนับถือคนหนึ่งไม่เคารพนถือคนหนึ่งดูหมิน่นคนนึงเบียดเบียดคนนี้ก็เอาเป็นหลักไม่ได้เป็นที่พึ่งไม่ได้ เขาเห็นว่าเป็นศูนย์รวมคล้ายๆกับตอนพราหมณ์โทนพราหมณ์ที่ประณีประนอมประสานประโยชน์กลุ่มชาวพุทธที่มาแย่งพระมศิริกรธาต์เนี่ย น, นะเขาเห็นว่าแปดนครในรวมท่านหมดยอมท่านหมดเลยเขพูดหน่อยเดียวยอมหมดเพราะอะไรเพราะว่าพวกเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นพราหมณ์เป็นคณาจารย์สอน แล้วพวกกษัตริย์เหล่านี้เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อนมัน ก, ก็กลายเป็นจุดว่าเอยอาจารย์พูดแล้วทุกคนลงฟังมันก็น้มน้าวเห็นว่าเรามีศาสดาเดียวกันเป็นอาจารย์มีอาจารย์เดียวกันนับถือพระธัรมไรเดียวกันมันก็อะไรละ่ะสำรวนกบไม่เรียกแสวงจุดร่วมสมมจุดต่างนะไอจุดต่างจุดที่แปลกแยกจุดที่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขามันก็ลดลงไปว่าจริงๆเรามีจุดเชื่อมเย ว่าท่าที่คมคายเนี่ยท่านบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นขันติวัตถีทรงสันเสริญขันติแต่พระองค์ก็เป็นเจ้าแห่งแห่งขันติโดยการที่พวกพวกเราจะมาสมยุจจุปหารกันเพราะต้องการแย้งปรงมาสมาธิกราแทของพระองค์อยู่ตือกระเบราข้าพนันกันนั้นไม่สมควรคือมันมันมาขัดแย้งมาตรงกันข้ามกับศาสดาถ้าให้รู้สึกสลดใจแล้วคนเหล่านั้นก็ ประสานน้ำใจกันแล้วก็แบ่งบรวมาระสานทากันได้เพราะฉะนั้นไอ้จุดจุดรวมของความเคารพนับถือจึงถือว่าจุดสำคัญมากเวลาจะทำงานต้องการร่วมแรงร่วมใจถ้าไม่มีใครเป็นหลักให้แล้วมันมันก็จบเหมือนกันเอามาอยู่ถ้าต่างคนดังใหญ่นะจะเอามาอยู่เลยหรือว่ามีจุดของความแตกแยกไม่มีใครเป็นตัวประสานให้ ต่างคนตาก็ไม่ยอมกันมันก็แบ่งอย่างน้อยสองฝ้ากเกาะกรุงมาสองฝ้ายมันก็แตกแล้วเพรานั้นท่านท่านที่เป็นหลักหลักของบ้านหลักของเมืองเนี่ยถือว่ามีมีความสำคัญที่จะต้องเป็นเป็นจุดรวมจิตใจของบุคคลทั้งหลายซึ่งซึ่งความเปลี่ยนแปลงในทางสังคมนั้นเราจะเห็นว่าต่อไปจุดจุดประสานมันจะอยู่ที่ผลประโยชน์ มันไม่จะอยู่ที่ที่จิตสํานึกร่วมกันเป็นภาพรวมของความมั่นคงของสิ่งต่างๆายในชาติบ้านเมืองแต่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นจุดประสานกันด้วยผลประโยชน์เป็นหลักนะฮะใครๆก็พัก ใ, ก, พ ก, นนพกใครก็พักคนนั้นพวกใครก็พวกคนนั้นนะฮะเพราะั้นพอประสานแล้วนี่มีคนค้านตลอดไม่ว่าทําดียังไงเถ อ, อะตั้งกรรมการในรายการไ่ายขวาฝ่ายผิดขึ้นมาเพื่อนก่อค้านแล้วต้องมีคนค้านตลอดเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ ที่ว่าปัจจุบันคณียามาการเมืองคือเรื่องผลประโยชน์ที่มีท่านผู้หนึ่งไปนิยามดีนิยามาการเมืองเป็นเรื่องของผลนัท์ธรรมแต่ส่วนใหญ่ไปเนี้ยเขพูดเรื่องผลประโยชน์เราเราเห็นได้ชัดว่าแนวคิดเดิมกับแนวคิดปัจจุบันเนี้ยให้เราสังเกตว่าใครทางดียังไงก็ตามมันจะมีคนคานเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นเรื่องพวกใครพวกมันผลประโยชน์ใครประโยชน์ทุกประเทศนะทุกประเทศ แต่ถ้าแต่ถ้าประเทศที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นหลักเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดมันจะรวมมากจุดจะรวมมากกว่าเพราะว่ามีการสืบสารเนี่ยเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายแต่ว่าในโลกเวลานี้ก็มีน้อยแล้วนะฮะทีนี้เรื่องบทบทบัญญัติการที่ว่ามันเกิดเปราะบางขึ้นมาสักจุดคนหนึ่งบัญญัติแล้วพวกม่นรับไปถอนพวกม่ยอม ไม่ยไม่ถอนไม่ยอมมายกเลิอกอะไรแต่ไรทิ้งเพ่อกลายเป็นสร้างความแตกแยกหมดเป็นปัญหาที่ที่น่าศึกษาเรื่องการสร้างเรื่องการทําความเข้าใจการประสานใจการชี้แจงกันการแค่การประชาสัมพันธ์นะฮนะการประชาสัมพันธ์ที่ในยันยสูตรที่ท่านแสดงเรื่องเรื่องวายชเปรย์ยักหมายความว่าการประชาสัมพันธ์การทําความเข้าใจชี้แจงให้เกิดการยอมรับนับถือกัน พราะการกระทาของท่านท่านวัสการพราหมณ์ที่ไปไปยุ่ให้เกิดความแตกแยกเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องสร้างสร้างความระแวงเพราะท่านเองก็ท่านเป็นมหาพรามนะฮะเป็นมหาพรามเป็นผู้ใหญ่แต่ไปทำทำโ ต, ต้งโตงมันก็ไม่ได้ก็ใช้อะไรละ่ะเรียกไปสอบถามเฉยๆสอนลูกศิษย์ เล่นก็เรียกว่าแผนวัศการแผนเจ็บตัวแผนเจ็บตัวไปนี้ก็ใช้เยอะเนี่ยเขาเรียกวแผนแผนวัศการก็ให้พระเจ้าชาตูลงอาญาเป็นรอยไหวไปบอบช้าสะบักสะบอมมีข่าวอะไรแต่ไปก่อนนะฮนะเล่นๆกันครับตรงนี้เราเราจะเห็นว่าเป็นแผนเดียวมันใช้ได้ตลอดประวัติศาสตร์นี่เยอ ะ, ใ น, ยอะนะในสามก๊กกว่าเยอะนะฮะในสามก๊กกวหลายครั้งราชาธิรา ช, ราชตั้งสี่ห้าครั้งเนี่ยนะใช้แผนนี้แปลกจริงๆให้ใช้ได้ทุกที ได้มาได้เรื่อยๆนีฮะทุกวันเดือนนี้ยังใช้ได้อยู่แปลกแผนเขาเรียกแผนวัสการจํานวนปัจจุบันเขาเรียกแผนเจ็บตัวนะฮะแผนเจ็บตัวคือหมายความว่าถูกมีข่าวถูกใส่ร้ายถูกขับทะเลกกาะกันก็สร้างต้องซักถ้ า, าข่าวตัวนี้ก่อนนะภายในข่าวต้องออกมาอย่างนี้ก่อนให้เห็นว่าข่าวแตกแจกรถึงจุดหนึ่งแรงก็คือขับขับไปก่อนขับออกไปก็จะไปหาฝ่ายตรูข ซือควายปะตูเนี่ยมันรับรับเน้นไขตรงนี้ไปเยอะมันก็เชื่อไปเยอะแล้วเชื่อไปเยอะแล้วก็ถือว่าได้พวกนะฮได้พวกเ ห, นนะเห็นไหมฮะฮานุมานะเห็นไหมยานุมานที่เข้าไปอยู่กับทษศกาณฐ์นัก็คือแผนเดียวกตัวมันกันใช้แผนนี้มาตลอดเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องแปลกนะฮะเป็นเรื่องแปลกเออก็แผนเดิมนี่แนะแผนเดิมทําไมจึงใช้ได้แผนเจ็บตัวแผนล่ะเสือออกจากถ้ำอะไรอะไรนะฮะ แผนต่างๆนี่มันมีแผนไม่กี่แผนนะที่ก็ใช้เนี่ยแต่ว่าใช้ได้ตลอดตัวนี้วัสการพรามก็ใช้วิธีการที่สร้างความระแวงคนเราชอบระแวงนะฮะชอบระแวงโดยธรรมชาติของคนเราก็ชอบระแวงทําไมถามาระแวงนะเราขาดความสุติใจมีลักษณะแข่งดีแข่งดีอย่างน้อยๆเราก็แข่งดีอยู่ในที่ต้องการจะเหนือกว่าดีกว่าเด่นเด่นกว่าดังกว่า ลักษณะแข่าางดีแม้จะประชุมอะไรกันก็ตามแหละอย่างน้อยเราก็จริงดีจริงเด่นมนุษย์อะมนุษย์คนเป็นอย่างงั้นน่ะเพราะฉะั้นพอไปสร้างตรงนี้ข้าวเนี่ยวิธีการเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเรียกข้าไปสุบซิบถามเป็นไงกินข้าวอะไรสบายดีไหมพอสบายดีแค่ไหนแต่เอ๊ะทำไมไปต้องสุบซิบเด็กก็บอกตรงตรงนะฮะเด็กก็บอกตรงตรงว่าอาจารย์เรียกไปถามเนี้ย ที่เรียกถามอย่างนั้นทำไมต้องทางงนอย่างนั้นไอเนี้ยคือสร้างความรำไรก็ได้คนน้ก็คําที่ถามไม่จะเป็นคําลับแต่วิธีการเน่ยค่คลายลับเห็นมไหมใช้วิธีการไม่ได้ใช้ตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านั้นเพราะถ้าเป็นยุมันก็ไม่ได้หรอกเป็นผู้ใหญ่ไปจะยุให้เด็กทะเลาะกันไม่ได้เด็กก็เริ่มแตกแยกกันพ่อแม่ก็ถือถือลูกตัวเองแล้ในที่สุดเนี่ย สามัคคีธรรมซึ่งรับมาจากศาสดารับมาจากบรรพชนตัวเองนะฮะให้ลองสังเกตเรรับมาจากบรรพชนตัวเองว่าวัชชีเนี่ยมันเริ่มจากคนสองคนนัินเองนะฮะวัชชีมันเริ่มจากคนสองคนสร้างสร้างเมืองขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ขยายมือขยายกำแพงเมืองตั้งเจ็ดครั้งในราชวงศ์นี้มีคนดั้งอะไรก็เรเจ็ดแสนเจ็ดมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยมัยอะเหลือเกินนะฮะในราชวงศ์เขาเนี่ย คนเฉพาะในเคือราชวงศ์กันมากขนาดนี้ราษฎรก็มือเมืองก็ใหญ่ก็เรียกสาถ่ายทอดกันมาหลายช่วงคนแต่มาแตกแยกเพราะคนนอกเพรความระแวงเพราะแทนที่จะสอบถามมาทำความเข้าใจการวาทะเลาะ ก, กันเรื่องอะไรเออว่าอาจารย์สอนอย่างนี้จริงไหมก็ลองถามพรามภาวรีเขาดูสิว่าถามจริงหรือเปล่าถามถามวาสการธรรมดูที่เขา สอนจากอย่างนี้หรือเปล่าไม่ฮะนี่คือจุดอ่อนที่เราจะเห็นว่าสังคมเราก็เป็นอยังไงอยู่กันมาตั้งนานฮะผัวเมียอยู่กันมาตั้งนานไปทะเลาะ ก, กับคําซุขซิบคนชาวบ้านไปทะเลาะ ก, กับคำซุบสิบคนชาวบ้านไปทะเลาะ ก, กับข่าวหน้าสี่กับหนังสือพิมพ์ไปทะเลาะ ก, กับบัตรสนเทอยู่กันมาไว้เนื้อเช่วยใจกันเออเจอบัตสนเทอันเดียรเสร็จล้มีโทรศัพท์กริ๊งเดียวพูดสงสามประโยคเสร็จแล้วนั่นคือจุดอ่อน หูเบาที่จริงใจเบาในะหูมันไม่เบาหรอกใจเบาเบาแก่ความไม่ไม่มองในลักษณะเที่ยวเคียงไม่มองถึงน้าหนักไว้สิ่งดีงามต่างๆมันมันสืบสานกันมาได้ตั้งไหนทาไมจะต้องทําลายตรงนี้แล้วไม่ยอมให้แกกันนะต่างฝ่ายต่างก็แข็งก้าวเข้าหากันที่จริงบทเรียนตรงนี้ท่านใหญ่ว่ามึงก็นิทานเรื่องนกกระจาบเห็นไหมติดตะขายก็บนายพลหรือว่า เห็นนะฮะลักษณะแข่งดีลักษณะแข่งดีลักษณะอวดดีลักษณะไม่ยอมกันถือว่าฉันก็เป็นหนึ่งแล้วในสุดก็ถูกทอดเลอกหมดลยก็เป็นเป็นบทเรียนซ้ำ ซ, ำซ้ซากซากที่มีอยู่ภายในสังคมนะะแล้วก็เอกสารต่างๆมันมีเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้วัดชีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะะเรื่องไม่เป็นเรื่อง แต่ว่าเพราะจุดตัวเองอ่อนไหวไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบถือมันมันมันคล้ายๆกับรับภาพด้านเดียวเสริมได้สามัญคีด้านเดียวแล้วไม่เคยแก้ปัญหาเวลาแตกสามัญคีไม่ได้แก้ปัญหาเพราะว่าไอ้จุดที่จะแตกมันมันไม่มีแล้วก็กพอเจอจุดแตกเข้ามาปรากฏว่าประคองตัวเองไม่ได้ นี่หลักการสำคัญก็มา ก, ก็มาถึงการรับสื่อใช่ไหมท่านท่านจะเห็นว่าการรับสื่อสารต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนั้นเจะทํำยังไงว่าให้มีกา ร, รการกลอกการไข้ครควญการพินิษพิจารณาของเรานี้ือมีเยอะนะฮะอูเบาเชื่อเชื่อคนอย่าเชื่อคนเชื่อหลายขนมักเสียการอะไร น, นะฮะ สักการพยามาลนุนมานลวงเอาดวงใจเยอะนะ ท, ที่เราสอนในแนวเนี้ยเพราะว่าจุดจุดอ่อนง่ายที่สุดก็คือเราเชื่อง่ายเขาว่าข่าวซุบซิบเชื่อแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้สะดุดหูอะไรบางอย่างเนี่ยข่าวคลาต่ า, างๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าเรามาคิดได้ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อ มีความขัดแย้งกันในตัวคอมมนเงหนึ่งสองสามสี่นี่ยก็ชี้ได้นะตรงนี้หมายความว่าเขาเพียงแต่รับฟังเราความไว้ถือว่าเป็นข้อมูลอย่างนึ่งแต่ถ้าจุดอ่อนคือเชื่ออะไรง่ายเกินไปเชื่อข่าวลือชเชื่อข่าวซุบชิบเชื่อเขาว่าเนี่ยนะฮะเชื่อเขา ว, ว่าเนี่ยปัญหาที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดขึ้นได้และโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือภายใน ภายในครอบครัวภายในหมู่เพื่อนฝูงภายในวงศาคนาภายในสถาบันเนี่ยนะฮะจุดที่เกิดความแตกแยกก็คือจุดเนี้ยจุดจุดอย่างเนี้ยเชื่ออะไรง่ายเกินไปท่านนหลายลองสังเกตนะโพทหารในนอกเรื่องชัดๆเลยโพทหารคือโผเลยนะมันอยู่ในซองอะนะ คนที่รู้คือกรรมาการซึ่งทรงรับสุดยอดเลยแล้วนังสือเนี่ยไม่ได้ออกมาข้างนอกมันออกมาพูดวิภาควิจารณ์มันก็เกง่งไะแล้วก็ไปรอยผู้ใหญ่พูดลอยผู้ใหญ่พูดเอาคนนั้นเป็นคนนั้นคนนี้เป็นคนนี้ไปรู้ได้ยังไงแล้วที่จริงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราษฎรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับราษฎรเป็นเรื่องของราชการทหารก็คือขาราชการแต่มั้นกรก็ไปบุนหมดเลย พยายพ้ายแพดย์ย้ายพยาบ า, ย า, บ า, ยาลย้ายครูย้ายอะไรรบุ้นหมดเลยไม่ได้เกี่ยวนะข้าราชการกเรื่องข้าราชการเขาเราทํามาคนทะเลาะ ก, กันเยอะเกิดแตกแยกเกิดคุนข้องหมองใจกันเยอะเกิดปัญหาเยอะเป็นเรื่องที่ที่ไม่เป็นเรื่องแล้วเราก็อาศัยหลงหลงทางเขาคาพูดอะไรแต่ไหนนะปล่อยพูดว่าไอ้คนที่ว่าเด็กเอาไปถามเองก็ไม่ได้ ตรวสอบถาดอะไรอ้อาวตอบก็ไปอีกละตอบทาไมก็ไม่รู้นะไม่ตอบใช่ว่างไม่ได้เลยพอตอบเข้ามาก็ปลายกันใหญ่เลยแต่ละเรื่องเนี้ยเราจะเห็นว่าเรื่องนอกเรื่องวุธีสมาเช็กเนี้ยเดือนมีนาปีหน้านะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้เลยไม่ได้เกี่ยวเลยปฏิรูปเมื่อไหร่ก็ได้ เนนะี่ยเรื่องเอามาเล่นกันเนี่ยมันน่าจะดัวปัญหาน้ําท่วมเนี่ยทำยังไงของแพไงทํา่ยทำังไงจราจรเนี่ยทำยังไ ง, จจ ง, ไงมันน่าจะพูดกันตรงนี้ไหมอ่ะแล้วก็เราก็ไหลไปตามกระแสตรงนั้นว่ามันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรวุฒิสมาชิกมันกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ว่าไปอย่างนั้นอ่ะมันไม่ต้องมาเถียงไปเถียงกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยตราบใดยังบัญญัติชาอยู่คนเราก็ต้องปฏิบัติไปตามนั้น แต่พอเราเบาแก่ความเบาแก่ความมาเรื่องนี้มันคืออะไรมันมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ยังไงปฏิรูปนั่งคืออะไรปฏิรูปที่ว่ากันอุตรุดทีนี้แยกกันทั้งเจ็ดแฉร์กันี่ตอนนี้ต่างคนตก็ว่าแล้วปฏิรูปไปถัถกร้อยครังไปได้ปฏิรูปเศษเคื่องกระดาษต่อมันมมีทางทาอะไรได้หรอกเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างที่บอกไว้นี่เพราะงั้น สังคมเราก็เหมือนกับสังคมยุคๆุคุคพุทธกาลเห็นไหมหุดอ่อนไหวก็คือว่าเราไปเชื่อเรื่องที่ไม่ควรจะเชื่อแล้วกลับไปทิ้งสิ่งดีงามต่างๆซึ่งรักษาชาติบ้านเมืองมาได้ตั้งนานน่นะรักษามาได้ตั้งนานสร้างโคตรวงจนกลายเป็นเป็นประเทศขึ้นมาได้เป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาได้แล้วก็ไปไปอ่อนไหวกับเรื่องเล็กๆน้อย วันแนวสามะคีเพศของวัดชีเป็นตัวอย่างมากแล้วปัจจุบันก็ยิ่งเป็นตัวอย่างมากยิ่งขึ้นราังนั้นเรื่องเรื่องนี้จึงกลายเป็นธรรมในหมู่มนุษย์นะครหมายความว่าท่า น, สนเสนอทางเลือกไว้ทั้งสองทางเป็นแบบไว้ทั้งสองแบบแต่เราจะเอาตรงใดเรื่องใหญ่จริงๆก็คืออยู่ที่จิตใจเราที่จะต้องหนักแน่นมั่นคงไม่อ่อนไหวเชื่อง่ายอะไรมากเกินไป ก่อนจะยอมรับนับถือหรือก่อนจะปฏิเสธนั้นจะต้องผ่านการกันกรองพิจารณามองรอบครอบรอบด้าน ต, ตามวิธีการของชาวพุทธที่เเร็วผู้รู้ผู้ตนพเพผู้เบิกบานถ้าบอวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจะมีแด่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันทุกท่านถือ